ธรงกันนะ <c oughs> สมปีสิทีนัง่งสาจะยายพรพสูตรพุทธคุณธรรมคุณสงฆ์คุณ <c oughs> จนถึงจรวจพะสูตนต์อาตตาลักนาสูตรเป็สูตรที่ว่าด้วยการลื้อถอน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 ไปใช่โศกไปทุกข์ไปใช่โกรธให้ร่ำไปหลงไปใช่ผิดได้เป็นทุกข์เป็นโทษเคยโกรธเคยเสียใจเคยดีใจเคยสุขกปนทุกข์ใช่กายใช่ใจให้เป็นโศกเป็นทุกข์ใจใช่แบบนั้นก็เลยติบเพื้อนมาเป็นลอย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 ว่าเราทำก็เห็นยัางจริงเห็นอะไรเห็นความหลงมันหลงอะไรหลงได้หลายอย่างก็จะให้บนรลุกายานุปายานุปัชชนามีสติเห็นกายในกายมันไม่เห็นมันไปเห็นอันเดื่นมันหลงไปทําอย่างอื่นไปคิดอย่างอื่นก็มันเคยไปทานนั้น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 ึกเอาเองแช่ใเอาเองเปลี่ยนตัวเองมีสติเอาเองแต่ติก็ไม่ต้องมาขอใครมีได้ทำได้แต่เวลามันหลงเรามีสติไม่หลงสติที่ไม่หลงเราก็ไม่ต้องขอญาติจากใครเราใช้สติของเรา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 นับสรภาพนับมันทุกอย่างเป็นสาธารณจิตใจของเราคิดของเราใช่เป็นสาธารณไม่ลกงวนส ง, งวนตัวทุ้มเผยโสมเพณีสม ส, ส่วนกายก็ ส, สัมสรวนใจก็สัมส่โกรธก็โออกกดก็โอก็อดก็โอดกีก็โอดีก็อดกอดีกก็อก็โอดี ก, ก็โอดอก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 ไอ้รู้จักตัวมันก็ไปจากความโกรธเรื่องมันทุกรู้สึกตัวมันก็ไปจากความทุกข์เก้าสองเก้าสาม้าไปจนไกลจนไกลจากกิเลสหลังสัมมาสัมพุทโทธเนี่ยผู้ไกลจากกิเลสคือไกลจากฆ้าสึก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 มันก็มีแบ่งมิจิที่มีน้ำก็ที่ไม่มีทิ้งที่ไม่มีน้ำก็มีไม่ต้องไปมุดอยู่ในความสุขความทุกข์ขึ้นฝังไม่ต้องสุขต้องทุกข์ก็ได้เหนือสุขเหงือทุกข์เป็นดิสละชีว <c oughs> ิตไมใ่ใช่แบบนั้นเราใช่กายให้เป็นสุขเป็นทุกข์เราใช่ใจให้เป็นสุขเป็นทุกข์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 เห็นไหมตอนพระเจ้าปฎิเนพานนั่นถอนความพอใจถอนความโศกของทุกข์มีสติแล้วแล้ออยู่ไม่มีโศกมีทุกข์มีสติแล้วแล้ออยู่มีแต่เห็นมันไม่เป็นกับมันมันโศกเห็นมันโศกก็พูดแล้วพูดอีกวันทุกข์เห็นมันทุกข์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 บางคนก็ปล่อยอยู่ในความโกรธแล้วความโกรธพอใจพอใจที่โกรธพอใจที่ทุกข์ไม่รู้จักปล่อยวางจนแสดงออกน้ำตาไหลร้ลองไห้เสียใจพอใจอยู่เช่นนั้นอันความไม่โกรธก็มีแต่เขาไม่รู้เขาไม่พอใจเพราะเขาไม่เคยทวนกระแสในลักษณะนี้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 คือภาวะที่รู้นี่แหละตีลขณะปริญญาแจ ก, กแจงเมื่อเห็นหลงก็เห็นไม่หลงแก่ก็ได้แล้วมาพ้องกันเหมือนหลังมือหน้ามืออย่างเนี่ยหลงมันหลังมือไม่หลงนหน้ามืออย่างเนี้แกกแกจ ง, งเหมือนจิทธะมองเห็นว่าเกิดก็ไม่พมไม่เกิดอย่างเนี้ย